เหตุผลลักษณะของขันติที่เห็นได้ชัดสําหรับผู้ปฏิบัติคือเหตุผลเหตุผลเกิดขึ้นกับหัวใจของตัวเองแล้วระงับความเดือดด้อนแห่งจิตลงเสียได้หรือขับไล่อารมณ์ฝ่ายต่ำออกไปจากจิตเสียได้นั่นแหละคือขันติที่ว่าเหตุผลเกิดกับใจนั้นคือรู้ผิดรู้ถูกในใจของเราจริงๆเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่เพียงแต่ปารบคนอื่นยกตัวอย่างเด็กไม่จับไฟกับผู้ใหญ่ไม่จับไฟ เขามีเหตุผลต่างกันอย่างไรเมื่อเราเป็นเด็ ก, เ, ดกเราไม่จับไฟเรากลัวอะไรกลัวถูกแม่ตีอยู่หรือเปล่าเปล่าเรากลัวไฟไหม้มือต่างหากเรารู้ว่าถ้าเอามือไปถูกไฟเข้าไฟมันจะไหม้มือจะพองจะร้อนและไม่สบายทีนี้เราลองเทียบกันดูสิคนที่ไม่จับไฟเพราะกลัวแม่ตีกับคนที่ไม่จับไฟเพราะกลัวไฟไหม้ใครจะปลอดภัยมากกว่ากัน ท่านผู้ฟังตอบได้ตรงกันหมดทุกคนการที่เราไม่จับไฟเพราะกลัวแม่ตีนั้นหมายความว่าเรากลัวคุณแม่ไม่ใช่กลัวไฟเรารับทราบแต่เรื่องการตีของคุณแม่เราไม่ได้รับทราบการที่ไฟมันจะไหม้มือเพราะฉะนั้นที่คนไม่จับไฟเพราะกลัวแม่ตีถ้าเกิดคุณแม่ไปตลาดเสียไม่อยู่บ้านหรือท่านไม่เห็นเขาอาจจับไฟก็ได้เพราะใจจริงยังอยากจับไฟแต่มีคุณแม่มาขัดคอไว้เท่านั้นจึงไม่จับ ฝ่ายคนที่ไม่จับไฟเพราะกลัวไฟไหม้นั้นเหตุผลดีกว่าถูกต้องกว่าไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นไม่ว่าจะมีคนห้ามหรือไม่เป็นไม่จับแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่ในลักษณะปลอดภัยกว่าคนแรกทั้งข้างฝ่ายทาความดีก็เหมือนกันเด็กๆไปโรงเรียนเพราะอยากได้รางวัลของคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่อยากได้ความรู้และที่ไม่ขาดโรงเรียนก็เพราะกลัวครูทาโทษ ไม่ใช่เพราะกลัวจะไม่ได้ความรู้แต่คนโตๆอย่างท่านผู้ฟังนี่ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมเพราะเราโตแล้วเช่นการมาฟังปาถกถาวันนี้ท่านก็มาของท่านเองอยากรู้อยากศึกษาจึงมาไม่ใช่มาฟังเพื่อจะเอาราังวัลของใครหรือถ้าไม่มาประเดี๋ยวผู้แสดงปาถกถาจะทำโทษไม่ใช่อย่างนั้นจริงไหมคบเด็กสร้างบ้าน การละเว้นความชั่วก็ดีการทำความดีก็ดีระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ผิดแปลกกันตรงเหตุผลนี่เองสำหรับเด็กเหตุผลมักจะตื้นหรือบางทีก็ไม่ตรงที่หมายแต่ผู้ใหญ่มักจะดูเหตุผลที่ถูกต้องและสนิทกว่ากันยกตัวอย่างเหตุการณ์ไม่เล่นไฟเหตุผลของเด็กกลัวผู้ใหญ่ว่าเหตุผลของผู้ใหญ่กลัวไฟไหม้บ้านเหตุการณ์ไม่ขาดโรงเรียนเหตุผลของเด็ก กลัวครูทำโทษเหตุผลของผู้ใหญ่กลัวจะไม่ได้ความรู้เหตุการณ์กินยาเหตุผลของเด็กเขาจะได้ว่าตัวเองเก่งเหตุผลของผู้ใหญ่จะได้หายโรคเหตุการณ์ไหว้พระเหตุผลของเด็กคุณแม่บอกให้ไหว้เหตุผลของผู้ใหญ่เพื่อนอบน้อมให้จิตใจเจริญและอื่นๆอีกท่านผู้ฟังโปรดสังเกตดูว่าเหตุผลของเด็กนั้นไม่ลึกซึง้ง และไม่ค่อยตรงที่หมายเพราะฉะนั้นการทําดีและเว้นชั่วของเด็กๆจึงกลับกรอก3วันดี4วันร้ายส่วนเหตุผลของผู้ใหญ่เป็นเหตุผลที่ถูกต้องและแนบเนียนเมื่อว่าถึงความแตกต่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่แล้วก็ขอย้ำตรงนี้สักหน่อยอย่าไปว่าเด็กๆ เ, เขาเลยบางทีผู้ใหญ่เรานี่แหละใครไปฉวยเอาเหตุเอาผลอย่างเด็กๆมาใช้ขอโทษคนนั้นก็คงไม่พ้นเป็นเด็กจนตาย คำพังเพยสอนเราว่าคบเด็กสร้างบ้านช่างจริงเสียเหลือเกินลงได้คบกับเด็กแล้วก็สร้างบ้านจนตายธรรมเนียมผู้ใหญ่เขาสร้างบ้านเสร็จแล้วเขาก็มีเวลาอยู่บ้านแต่เด็กๆสร้างเสร็จแล้วหรือแล้วก็สร้างขึ้นใหม่พอจะเสร็จก็รื้ออีกไม่ต้องได้อยู่กันสักทีทุกๆ ท, ท่านก็เคยเป็นเด็กมาแล้วและคงจะเคยเล่นสร้างบ้านย้ายบ้านมาบ้างทุกคนถึงโตมาแล้วก็ยังคงจะเคยเห็นหรือ เคยปวดเสียงกับพวกพวกที่พากันเล่นย้ายบ้านข้าวของจัดไว้ดีๆโดนพ่อคุณแม่คุณขนออกมาประกอบการสร้างบ้านหมดมีใหญ่ว่าผู้ใหญ่จะปวดเสียงเวีนเกล้าอย่างไรครบหัวล้านสร้างเมืองแต่ความสนของเด็กทารกก็พอจะให้อภัยถึงจะสร้างจะรื้อก็แต่บ้านส่วนเด็กโตสิยุ่งมากคือคนอายุมากๆแล้วเกิดไป่วยเอาเหตุผลของเด็กๆมาใช้มันเลยการสร้างบ้าน กลายเป็นเรื่องสร้างเมืองเอาทีเดียวอย่างคําพังเพยที่ว่าคบเด็กสร้างบ้านคบคนพันนั้นสร้างเมืองที่เราว่าเราว่ากันนั่นแหละขอแวะสักนิดเถอะในคําพังเพยที่ว่านี้วักหลังที่ว่าคบคนผมน้อยสร้างเมืองน่ะผมคิดว่าเจ้าของคําพังเพยเดิมจริงๆคงไม่ได้ตั้งใจจะว่าคนผมน้อยตั้งใจว่าคนเกิดมานานๆคือตรงกันข้ามกับเด็กนั่นเอง าบางทีเขาว่าผู้ใหญ่ใช้คําว่าหัวงอกก็มีคือจะให้รู้ว่าเกิดนานเท่านั้นเองในกระบวนการของเด็กสร้างบ้านก็คือขนย้ายข้าวของก่อความปวดหัวให้คนในบ้านสร้างๆห ร, รือๆคราวนี้ที่ว่าคบผู้ใหญ่สร้างเมืองเราก็ต้องเข้าใจในเหตุผลด้วยว่าหมายถึงรื้อเมืองด้วยรื้อๆสร้างๆทํานองเดียวกับเด็กสร้างนั่นเองนี่ผมคิดตีความหมายเอาเองผิดถูกไม่รับรอง ทำไมจึงว่าอย่างนี้ก็เพราะว่าใครไปเอาเหตุผลของเด็กมาใช้มันเป็นเหตุผลที่ไม่ได้อิงอยู่กับความดีกลัวคนนั้นจะตกลัวคนนี้จะไม่ชมเอาคนมาเป็นที่หมายของการทำความดีเมื่อเป็นเช่นนี้ความแน่นอนต่อความดีก็ไม่มีเรื่องของคนมันเป็นเรื่องที่ไม่แน่ประเดี๋ยวชอบอย่างนั้นประเดี๋ยวชอบอย่างนี้หนักเข้าต้องรื้อเมืองกันไม่รู้จักเสร็จที่ว่านี้ผมเพ่งทางความประพฤติคือประเทศชาติ มีข้อบดกฎหมายและคำนบับธรรมเนียมไว้อย่างไรศาสนามีหลักศีลธรรมจรยาไว้อย่างไรโดนเด็กอายุมากเหยียบย่ำหรือถอนหมดชาวบ้านชาวเมืองพากันเดือดร้อนไป ต, ตามๆกันเรื่องของเรื่องอยู่ที่ว่าเราไม่เข้าถึงเหตุผลที่แท้จริงไปคว้าเอาอารมณ์ชั่วแลนมาเป็นเหตุผลการละเว้นความชั่วและการสร้างความดีเลยเป็นเรื่องกลับกรอกเอาเป็นแน่นอนอะไรไม่ได้ 4. อย่างต้องอดทนข้อที่ว่าอดทนอดทนนั้นโปรดเข้าใจว่าอดทนต่อฝ่ายที่ไม่ดีเพื่อยืนยันอยู่ในทางดีให้ได้ไม่ใช่หมายความว่าใครตกอยู่ในสภาพอย่างไรแล้วก็ต้องทนอยู่ในสภาพเดิมนั้นเสมอไปหาไม่ได้เช่นเป็นคนยากจนแล้วก็ทนอยู่ในความจนไม่พยายามขวนขวายหาทรัพย์หรือตัวเกียตค้านงานการไม่ทาแม้จะถูกคนอื่น สับโขกอย่างไรก็ทนเอาหรือตัวเป็นโจรแล้วก็ทนเป็นโจรอยู่ร่ำไปอย่างนี้ไม่ใช่ความอดทนที่พระสอนให้บำเพ็ญแต่เป็นลักษณะของความต่ด้านหรือความดื้ด้านเท่านั้นจำคำจำกัดความสั้นๆไว้ว่าความอดทนที่พระสอนนั้นมีลักษณะสองอย่างคือกทนเพื่อให้พ้นจากสภาพที่เลวขทนเพื่อให้ได้มาซึ่งสภาพที่ดี ยปกติความอดทนนั้นจะปรากฏตัวขึ้นก็ต่เมื่อมีเหตุการณ์2อย่างมาประจบกันคือเหตุการณ์ฝ่ายดีกับเหตุการณ์ฝ่ายเสียเช่นฝ่ายดีทำงานต่อไปหรือฝ่ายเสียไม่ทำงานฝ่ายดีไม่ด่าตอบหรือฝ่ายเสียด่าตอบฝ่ายดีเพียงพยายามหรือฝ่ายเสียเกลียดคร้านฝ่ายดีเมตตากรุณาหรือฝ่ายเสีย ดร้ายหยาบคายและอื่นๆเหตุการณ์ตรงกัน <through> ข <marriage> ้ามสองอย่างมาประจวบกันเข้าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าผู้ไม่ได้อบรมธรรมะย่อมละทิ้งฝ่ายดีเสียหันเหไปทางฝ่ายไม่ดีส่วนผู้อบรมธรรมะเมื่อประจวบเหตุการณ์เป็นทางสองแพร่งดังกล่าวเหตุผลจะปรากฏแววขึ้นในใจสอนและเร้าใจให้เขาคงยืนหยัดอยู่ในทางดีต่อไปหรือให้ตะเกียกตะกายถอนตัวจากฝ่ายเสีย ข้ามหาฝ่ายดีเหตุผลที่ปรากฏแววขึ้นในใจนั้นคือขันติเป็นธรรมะที่มีคุณประโยชน์มากวกมาพูดถึงชีวิตของผู้ครองเรือนต่อไปคนครองเรือนมีเรื่องที่จะต้องใช้ความอดทนอยู่มากที่เป็นหัวข้อใหญ่คือ 1. อดทนต่อความยากลำบาก 2. อดทนต่อทุกขเวทนา 3. อดทนต่อความเจ็บใจ 4. อดทนต่ออานาจกิเลส 1. นทนความลําบากความลําบากคือความตรากตรําหมายความว่าคนทํางานมากๆแล้วได้รับความเหนื่อยเมื่อยหิวกระหายหรือถูกแดดลมฝนกระทบเกินสบายรวมความว่าเป็นเรื่องไม่สะดวกสบายเพราะทํางานที่ว่าอดทนต่อความลําบากก็คือทนทํางานให้ลุล่วงไปไม่แพ้ต่อความลําบากและทิ้งงานเสียการที่จะทนต่อความลําบากได้นั้น ผู้อดทนจะต้องมีเหตุผลอยู่ในใจของตอนเองจึงทนได้ดีในทางปฏิบัติผมคิดเอาง่ายๆว่าความลำบากเหมือนกับสุนัขดุเรื่องสุนัขดุแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือถ้ามันเห็นเราเข้ามันก็จะเห่าและกระโจนเข้าใส่ถ้าเราวิ่งหนีมันก็ไล่กวดทีนี้ขณะที่มันไล่เรานั้นถ้าเรากลับหลังหันแล้วยืนอยู่กับที่เจ้าสุนัขมันก็จะหยุดไลย่ยิ่งถ้าเรานั่งปุ๊บลงสุนัข ก, ก็จะเกิดความงุนงง เลิกรังแกรเราทีเดียวอย่างดีก็ยืนเห่าอยู่ห่างๆแล้วก็เป็นของแปลกอยู่เหมือนกันถ้าเราลุกยืนพรวดขึ้นแล้วกระโจนเข้าหามันอย่างกล้าหาญสุนัขวายร้ายมันจะวิ่งหนีเราอย่าให้คิดชีวิตความลําบากก็เหมือนกันยิ่งเราทําเป็นกลัวมันมากมันก็ยิ่งเล่นงานเราแต่ถ้าเราไม่กลัวมันปักหลักให้มัน่นตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวว่าจะสู้กับความลําบากเจ้าความลําบากก็จะกลับกลัวเราเท่านั้นเองรวมความว่า ถ้าเรากลัวมันมันก็เล่นงานเราเพราะฉะนั้นสู้กับมันดีกว่าเป็นความจริงที่ว่าคนที่ไม่เคยต่อสู้กับความลำบากก็มักจะโดนความลำบากคอยดักเล่นงานอยู่รอบทิศอย่างเด็กสมัยนี้อะไรอะไรสะดวกสบายไปหมดกลายเป็นคนมือบางเท้าบางนิดก็แย่หน่อยก็แย่ผมรู้สึกเป็นห่วงจริงๆสมัยก่อนรุ่นครูบาอาจารย์นันท่านเดินตั้งแต่สามแยกไปเรียนหนังสือวัดบวรนิเวศบางลำพูท่านก็เดินกันได้ ท่านเหล่านั้นเป็นใหญ่เป็นโตมาแล้วถ้าจำเป็นต้องเดินก็ไม่เห็นท่านต้องลำบากใจมากแต่เด็กสมัยนี้ถ้าต้องเดินไปขึ้นรถเมลสักครึ่งกิโลเมตรก็บ่นว่าลำบากเทบใจขาดนี่เป็นเพราะไม่เคยต่อสู้กับความลำบากถึงได้ลำบากมากเมื่อสักปีสตเศษมานี้ผมพบกับคนคนหนึ่งซึ่งได้รับความทุกข์ใจอย่างหนักแต่ถามดูได้ความว่าเขาเป็นคนทางานราชการมีหน้าที่ไปส่งหนังสือของกรม ซึ่งจะต้องไปส่งตามกรมกองอื่นๆการไปส่งหนังสือนั้นวั น, ก, นก่อนก็คอยอาศัยรถของกรมที่ออกไปติดต่อภายนอกแล้วติดรถเข้าไปครั้นมาวันหนึ่งเกิดหารถที่จะเกาะไปไม่มีเลยไม่ไปส่งหนังสือทําให้ราชการด่วนต้องเสียเวลาผู้บังคับบัญชาเลยตําหนิโทษจะถูกตัดเงินเดือนหรือถูกไล่ออกก็ยังไม่แน่ผมถามว่าระยะทางที่จะส่งไกลสักเท่าไหร่ก็ได้ความว่าไกลไม่เกิน2กิโลเมตร แทนที่จะสงสารผมกลับสลดใจว่าทำไมหนอระยะทางแค่นั้นจึงเดินไปไม่ได้และได้ความทางปฏิบัติธรรมะว่าเพราะเขากลัวลาบากจึงได้ลาบากและลาบากเอามากๆเสียด้วยการอบรมเด็กๆให้เป็นคนมือบางเท้าบางนั้นบางคนว่าแสดงถึงความสิวิไลแต่ผมก็ยังมองไม่เห็นว่าจะเป็นวิธีการที่ดีเห็นแน่นอนอยู่แต่ว่าความลาบากนั้นมันคอยจ้องเล่นงานคนที่ไม่สู้กับมัน ฉะนั้นถ้าเรากลัวลำบากจงเล่นงานมันเสียก่อนที่มันจะเล่นงานงเรา 2. ทนทุกขเวทนาเวทนามีสมอย่างคือสุขเวทนาความสบายทุกขเวทนาความไม่สบายอทุกขธรมสุขเวทนาความเฉยเฉยเรื่อยเรื่อในเวทนาทั้งสนี้สุขเวทนาคือความสบายไม่จาเป็นต้องอดทนเวทนาพวกเรื่อยเรื่อยเฉยเยก็ไม่ต้องใช้ความอดทน ที่จะต้องใช้ความอดทนมีอยู่อย่างเดียวคือทุกขเวทนาทุกขเวทนานั้นที่หมายตรงๆในที่นี้คือความเจ็บป่วยเป็นต้นว่าปวดหัวปวดท้องเป็นไข้ตลอดจนโรคอื่นๆทนต่อความเจ็บนั้นไม่ใช่ว่าทนเป็นคนเจ็บอยู่เรื่อยโดยไม่หาทางรักษาให้หายไม่ใช่อย่างนั้นที่ว่าทนนั้นคือทนตั้งอยู่ในความดีของตัวยืนหยัดอยู่ในภูมิชั้นของตัวให้ได้อย่าให้ความเจ็บปวดมันดึงเราให้พลัดจากความดี พูดง่ายๆคืออย่าทำความชั่วเพราะอ้างความเจ็บป่วยเป็นเหตุที่ว่าทําความชั่วนั้นบางทีผมจะใช้คําพูดแรงไปหน่อยความจริงหมายความถึงการร้องไห้ควรครางและมายาต่างๆซึ่งเป็นเรื่องการเสียมารยาทและน่าเกลียดรวมอยู่ด้วยบางคนเวลาเจ็บป่วยแสดงอาการควรครางเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าเจ็บและให้เขาเห็นอกเห็นใจบางคนควนครางมากเกินกว่าเหตุ จนแทนที่จะมีคนเห็นใจกลับเห็นเป็นขันและรำคาญบางคนเจ็บป่วยผสมมายาขี้สำออยที่เห็นได้ชัดคือพวกที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลบางคนนอนคุยและแค่ขี้เล็บอยู่ดีๆแท้ๆแต่พอเห็นเมียมาเยี่ยมทีไรต้องเป็นอาการกาเริบทุกทีทว่าแม้เป็นคราวนี้มากเสียจริงๆนอนบิดไปบิดมาเหมือนจะเข้าห้องดับจิตเสียให้ได้ แต่พอเมียคล้อยหลังกลับไปแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งคุยเจ้อได้สบายบางคนเวยโอกาสเวลาเจ็บป่วยทำตัวเป็นคนเจ้าโมโหโทโสจะเอาอย่างโน้นจะเอาอย่างนี้คนอื่นทำให้ไม่ได้หรือทำให้ไม่ทันก็เดือดดานน้อยใจร้อยแง่พันงอนคนพยาบาลก็ต้องเลือกเอาคนนั้นคนนี้อย่างบางคนต้องให้ลูกคนโปรโดรินยาให้ถึงจะกินดังนี้เป็นต้นเรื่องของคนเจ็บมีมาก คนที่เป็นพ่อบ้านแม่เรือนซึ่งเป็นลักษณะของครอบครัวคืนทำอย่างนี้ก็แสดงถึงความอ่อนแอเกินไปและก่อความลำบากยุ่งยากแก่คนอื่นเขารักษาโรคจริงๆให้ก็แย่อยู่แล้วยังต้องมารักษาโรคแทรกอีกพระจึงสอนให้อดทนโดยพิจารณาให้เหตุผลว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็นธรรมดาของร่างกายใครๆจะหลีกเว้นเสียมิได้ 3. ทนความเจ็บปวด ความเจ็บปวดของคนมีสองอย่างคือเจ็บทางกายกับเจ็บทางใจพูดง่ายๆคือเจ็บกายกับเจ็บใจอดทนต่อความเจ็บกายได้ว่ามาแล้วในเรื่องทุกขเวทนาต่อไปนี้เชิญมาพิจารณาความเจ็บทางใจดูบ้างก่อนอื่นโปรดทราบว่าความเจ็บใจนั้นเกิดจากการถูกคนอื่นกระทำเท่านั้นต้นไม้ใบหญ้าดินฟ้าอากาศและความเป็นไปของธรรมชาติทาให้คนเจ็บใจไม่ได้เช่น ความเจ็บป่วยล้มตายทําให้คนเป็นทุกข์ก็ทุกข์ในแง่เศร้าโศกเสียใจหรือเสียดายหรือน้อยใจไม่ใช่ทําให้เจ็บใจความเจ็บใจนั้นเฉพาะเกิดจากการกระทําของคนอื่นทางเดียวเท่านั้นและการกระทํานั้นก็เป็นการกระทําด้วยเจตนากลัแกลง้งหรือดูหมิ่นดูแคลนเท่านั้นไม่ใช่ความพลั้งเผลอหรือรู้เท่าไม่ถึงการถ้าคนเข้าไปหาสมุดฐานของความเจ็บใจให้ใกล้ที่สุดแล้วจะเห็นว่า ความเจ็บใจนั้นเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างตัวเราเองกับผู้ที่ทำเราถ้ามีการเปรียบเทียบก็เกิดความเจ็บใจขึ้นถ้าเราไม่เปรียบเทียบความเจ็บใจก็ไม่เกิดการเปรียบเทียบที่กล่าวนี้คือยกตัวเราขึ้นเป็นที่ตั้งแล้วเอาผู้ที่ทำล่วงเกินนั้นมาเปรียบเทียบกับเราการเปรียบเทียบอย่างนี้พระเรียกว่ามานะแปลว่าความถือตัวทางโลกมักจะหมายถึงการถือว่าตัววิเศษกว่าคนอื่น แต่ทางทาหมายถึงการถือตัวทั้ง3ลักษณะคือ 1. ถือว่าเราสูงกว่าเขา 2. ถือว่าเราเสมอกับเขา 3. ถือว่าเราต่ํากว่าเขาความถือตัว3าอย่างนี้แหละที่เป็นบ่อกเกิดของความเจ็บใจคนที่ถือตัวด้วยอำนาจมานะนั้นมีทางที่จะเกิดความเจ็บใจได้ทั้งจากการกระทาของเด็กของคนเสมอกันและของผู้ใหญ่กว่า เมื่อถูกเด็กทําล่วงเกินก็คิดว่าชะชะเด็กเมื่อวานนี้มันทํากับเราได้เจ็บใจจริงครั้นถูกคนเสมอกันล่วงเกินก็คิดว่าน้อยชั้นนี้แล้วลบเหลี่ยมกันได้เจ็บใจจริงพอถูกคนโตกว่าล่วงเกินก็คิดว่าดูเถอะเห็นเราเด็กกว่าทําได้ทําเอามันเจ็บใจจริงตกลงว่าเจ้ามานะมีหวังเจ็บใจทั้งขึ้นทั้งล่องผู้ใหญ่ทําก็เจ็บใจคนเสมอกันทําก็เจ็บใจ เด็กทาก็เจ็บใจคือหาเรื่องเจ็บจนได้แต่ถ้าเราไม่ถือตัวใจเราก็ไม่เจ็บดูแต่คนเล่นลิเกละครบางทีหัวหน้าคณะมาสั่งแสดงเป็นตัวตลกหรือเป็นตัวลูกกระจอกในเรื่องถูกคนอื่นตบศีรษะบ้างถูกเขาว่าเสีย ห, หายบ้างเขาก็ไม่เจ็บใจเพราะเขาวางตัวแล้วตั้งแต่ตกลงใจว่าจะแสดงเป็นตัวนั้นแต่พอเลิกแสดงแล้ว เกิดถือตัวว่าเป็นนายโรงใครไปทำอย่างนั้นไม่ได้มันให้รู้สึกเจ็บใจขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเล่นอะไรกับใครเราก็ต้องดูเสียก่อนว่าขณะนั้นเขาถือตัวหรือวางตัวถ้าเขากำลังถือตัวก็ไม่ควรเล่นอันตรายแต่ถ้าเป็นขณะที่เขาวางตัวแล้วเล่นเถอะไม่เป็นไรผมพาท่านผู้ฟังอ้อมไปอ้อมมาเสียนานอยากจะชี้ให้ดูจุดสาคัญนิดเดียวคือจุดที่เราจะอดทนต่อความเจ็บใจ จะอดอย่างไรจึงจะอดได้และบัด น, นี้ก็ได้พบจุดนั้นแล้วคือตรงที่ความถือตัวซึ่งเรียกว่ามานะนั่นเองใครมีมานะมากก็มีเรื่องที่จะเจ็บใจมากและเจ็บบ่อยๆเพราะธรรมดาของใหญ่ก็เป็นเป้าที่ง่ายต่อการกระทบเป็นธรรมดาการที่เราจะอดทนต่อความเจ็บใจได้ดีเพียงใดจึงขึ้นอยู่กับการถือตัวของเรานั่นเองถ้าจะอดทนต่อความเจ็บใจก็มีอยู่ทางเดียวคือ อดทนที่ใจเราวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือวางตัวเสียอย่าถือแล้วความเจ็บมันก็ทุเลาลง 4. ทนอํานาจกิเลสสิ่งที่จะทําให้คนเสียไม่ใช่แต่เรื่องข้างฝ่ายความเจ็บใจเท่านั้นข้างฝ่ายรักใคร่เพลิดเพลินก็ทําให้คนเสียได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความอดทนจะใช้เฉพาะคราวที่เกิดอารมณ์ข้างฝ่ายเจ็บใจเท่านั้นหาเพียงพอไม่ต้องใช้สําหรับอารมณ์ฝ่ายรักความเพลิดเพลินด้วย อารมณ์ฝ่ายความรักที่ผมกำลังกล่าวถึงนี้ต่งเช่นความสนุกการเที่ยวเต่การบำเรอการได้ล่าผลอันพึงใจความสรรเสริญเยินยอและอื่นๆซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้ใจคอเบิกบานทำไมเราจึงต้องอดทนอารมณ์ข้างฝ่ายเพลิดเพลินด้วยล่ะอ๋อแน่แหละคนที่ไม่รู้จักอดทนต่อสิ่งที่น่ารักน่าใครจ้อมกระทาพฤติกรรมที่น่าบัศสีไม่ใช่น้อยเหมือนกัน การรับสินบนการผิดในบุตรภรยาคนอื่นการเห็นเงินแล้วตาโตความเป็นคนรู้มากเอาเปรียบสังคมการเหยอยดศเหยอทรัพย์การขี้โอ้โ อ, อวดและอื่นๆล้วนเป็นพฤติกรรมของคนที่ขาดความอดทนต่ออำนาจกิเลสทั้งนั้นเมื่อเพ่งถึงจุดกำเนิดของกิเลสข้างฝ่ายรักใคร่เพลิดเพลินที่กล่าวนี้ผมใกล้จะขอขโมดเข้าที่ความอยาก ความอยากนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้คนเสียเริ่มแต่เสียมรารยาจนกระทั่งเสียผู้เสียคนความอยากที่ว่านี้หมายถึงความอยากกินอยากใช้อยากเที่ยวอยากสนุกอยากปวดอยากมีหน้ามีตาและอื่นๆและอยากอื่นๆสารพัดอยากเพราะฉะนั้นที่ว่าอดทนต่ออำนาจกิเลสนั้นจุดหมายที่สำคัญก็คืออดทนต่อความอยากอย่าลุกอานาจแก่ความอยากถูกแล้ว คนเราต้องมีความอยากเพราะเรายังเป็นสามัญชนที่ต้องมีโน่นมีนี่สำหรับปเป็นเบอร์ชีวิตแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยให้ความอยากมาเป็นนายหัวใจเราทีเดียวหาไม่ได้เราต้องรู้จักจากัดขอบเขตของความอยากให้พอเหมาะพอควรไหนๆก็พูดกันมาถึงขั้นนี้แล้วก็เลยขอพูดเสียให้จบเรื่องขอโทษเถอะบางท่านบางคนพยายามสร้างความอยากขึ้นมากมาจนเกินไป อย่างท่านสุภาพสตรีสมัยนี้ขอโทษท่านสุภาพสตรีรู้สึกว่าเต็มไปด้วยความอยากจู้จี้จุกจิกมากอยู่ในเรื่องเสื้อผ้าก็อยากจะมีเสียให้ครบทุกสีทุกอย่างทุกแบบทุกชนิดของเก่าใช้ยังไม่ทันช้ำสักนิดก็อยากมีใหม่แล้วในเรื่องเครื่องประดับตกแต่งก็เหมือนกันที่แรกๆก็ว่าอยากจะมีกับเขาบ้างพอไปวัดไปวาได้ก็พอครั้นมีพอไปวัดไปวาอย่างว่าแล้ว ก็อยากจะให้มีเทียบบ่าเทียบไหลกับเพื่อนบ้านครั้านได้พอๆกับชาวบ้านแล้วความอยากก็เพิ่มขึ้นเป็นว่าอยากจะมีให้มันเกินหน้าใครๆต่อไปอีกอันที่จริงความอยากอย่างที่ว่านี้ถ้าเป็นไปตามปกติธรรมดาก็ไม่เสียหายอะไรแต่บางคนขาดความควบคุมเอาจริงๆอยากเคลื่อนที่ไปเสมอท่านสุภาพสตรีคงจะทราบดีเวลาท่านเข้าไปนั่งในร้านขายทองแรกจริงๆท่านอยากได้วงนี้ วงเพชรซีกนี้แต่ครั้นพอชำระเงินสำหรับวงนี้แล้วจึงรู้สึกว่าความอยากของเราเลื่อนไปอยู่วงโน้นวงที่เพชรลูกโตโตที่ยังไม่เป็นของเรานอนในเรื่องการเที่ยวเตรก็เหมือนกันหนังกี่เรื่องละครกี่นัดเป็นไม่ยอมพลาดเรื่องเที่ยวยังไม่หมดเรื่องกินก็มาแทรกมากเรื่องมากราวเกินไปถ้าครอบครัวที่มั่นคงรายได้ดีก็พอทำเนา พอจะสนองความต้องการให้ได้ไม่สู้ยากนะักแต่ถ้าฝ่ายคู่ครองของเรามีไรายได้น้อยสนองให้ไม่ได้เขาก็ทุกข์ใจกระดากขวยเขินและความกระดากใจของผู้ชายนั้นดูจะไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าที่จะถูกหาว่าสนองความต้องการให้ผู้หญิงไม่ได้แต่แม้ว่าใครจะจนใครจะรวยมีสิ่งที่แน่ที่สุดอยู่อย่างหนึ่งคือผู้หญิงทุกคนยิ่งมีความอยากได้มาก เสน่ห์ในตัวก็ยิ่งลดน้อยลงยิ่งทำตัวเป็นคนพอไม่มีความต้องการอีกฝ่ายก็ยิ่งคิดหาทางจะให้พูดง่ายงายคือยิ่งรักมากขึ้นข้อนี้เป็นความจริงที่ถูกอําพรางไว้แต่ความอยากของฝ่ายหญิงนั้นว่ากันโดยยุติธรรมแม้จะอยากได้โนนอยากได้นี่จุกจิกวันยังค่าความจริงก็ไม่ได้อยากเอาไปไหนเสื้อผ้าทองหยองซื้อเท่าไรเท่าไรขนมน ม, นมเนยกี่ห่อกี่ห่อ ก็หอบพี่อวออกมาที่บ้านนั่นเองถึงอยากจะกินจุกกินจิกเท่าไหร่ก็กินใส่ปากใส่ท้องเอาเรี่ยวแรงมาทำงานในบ้านในเรือนทั้งนั้นข้าพเจ้าคิดตึกตรองดูแล้วความอยากของผู้หญิงเรียกว่ายังอยู่ในหลักการไม่เป็นการละเมิดกฎบัตรแต่ผู้ชายสิเล่นอยากนอกหลักการเสมอคือชอบเพราะความอยากขึ้นนอกบ้านหาความยุติธรรมได้ยากคารวสธรรมลำดับที่สี่ จาคะความหมายคําว่าจา่าคะธรรมะของผู้ครองเรือนข้อที่4คือจา่าคะแปลตามตัวว่าเสียสละก่อนอื่นขอทำความเข้าใจทางความหมายก่อนคําว่าจา่าคะมีความหมายสองอย่างคือกหมายถึงการสละวัตถุสิ่งของก็ได้เป็นบุรพะประโยชนของท่านเช่นคําว่าจ่าคะเจตนาแปลว่าเจตนาเสียสละ บางท่านเอาคําว่าจาคะไปใช้แทนคําว่าทานทีเดียวก็มีความจริงจาคะแปลว่าสละทานแปลว่าให้แต่ละศัพท์มีความหมายแจ่มแจ้งและพอตัวอยู่แล้วทั้งทางพยัญชนะทั้งทางความหมายจึงไม่น่าจะให้คละกันให้มันยุ่งสมองเปล่าๆความเสียสละที่เรียกว่าจาคะนั้นหมายถึงกิริยาที่ตัดความห่วงใยในสิ่งนั้นแม้จะยังไม่มีผู้รับก็ทําได้เช่น คดข้าวใส่ขันไว้ตั้งใจว่าข้าวขันนี้เราจะตัดออกจากกรรมสิทธิ์ของเราหรือตัดออกจากความเป็นของเราความตัดใจนี่แหละเรียกว่าจากกะทีนี้พอมีพระบินทบาทมาถึงหน้าบ้านเราตักข้าวที่เราสละไว้นั้นใส่ลงในบาตรพระพูดง่ายๆคือให้พระหรือมอบเป็นกรรมสิทธิ์แก่พระกิริยาที่มอบให้นี้เรียกว่าทานแปลว่าการให้ ต้องประกอบด้วยส่วนทั้ง3คือผู้ให้ของที่ให้ผู้รับประจวบพร้อมกันจึงกระทำได้ส่วนจากคะไม่ต้องมีคนรับก็ทำได้ขอความหมายอีกอย่างหนึ่งของคำว่าจากคะคือการสละทิ้งเช่นจากคะที่ท่านแสดงไว้ในอธิษฐานทมหมายถึงการสละสิ่งที่เป็นค่าสึกเกี่ยความจริงใจพูดฟังง่ายๆคือ ทิ้งอารมณ์ที่จะมากวนให้เราเสียความจริงใจจากะที่มีความหมายตามในหลังนี้มักจะมาตามหลักทำข้อนี้สัจจะหมายความว่าเมื่อตั้งสัจจะไว้ยอย่างไรแล้วก็ต้องสละอารมณ์ที่จะกวนให้เราเสียสัจจานั้นเพราะฉะนั้นคารวะสธรรมข้อ4ี่คือจากะจะต้องทาความเข้าใจความทั้งสองประเด็นคือกสละวัตถุขอ สละอารมณ์สละวัตถกุการสละวัตถุนั้นหมายความว่าผู้ครอบครองเรือนจะต้องรู้จักเสียสละในคราวที่ควรเสียสละคนเราที่จะเสียเสียได้ทั้งสองประตูคือไม่รู้จักหาทรัพย์ก็เป็นคนเสียมีทรัพย์อยู่แล้วไม่รู้จักใช้ก็เป็นคนเสียเหมือนกันกินแล้วไม่ถ่ายหรือถ่ายแล้วไม่กินมีหวังเน่าด้วยกันทั้งนั้น ถ้าจะให้ดีจะต้องรู้จักหาด้วยรู้จักใช้ด้วยผมขอแวะตรงนี้อีกสักนิดเถอะพูดถึงจาคะสังเกตดูคำว่าจาคะได้ถูกนําไปใช้หรือทำความเข้าใจในวงแคบไปสักหน่อยเพราะเอ่ยถึงคำว่าจาคะหรือบริจาคใจเราก็มุ่งไปถึงว่าจะต้องมีดีกามาเรียรายหรือมีการลงขันคนทั้งหลายก็เลยพากันเอื้อมพระาได้ยินแต่คาว่าบริจาค ก, ก็ให้รู้สึกอ่อนใจ นี่เป็นเพราะไปตีความหมายแคบเกินไปยิ่งการบริจาคตามวิธีคิดเลขของท่านพระธรรมกะถึกยุคปัจจุบันบางท่านทําให้คนท้อใจมากคือพระธรรมกะถึกท่านชอบเทศนาสอนวิธีจัดผลประโยชน์จากทรัพย์ที่หาได้ว่าเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วให้แบ่งเป็นสี่ส่วนคือเลี้ยงชีพเสียหนึ่งส่วนตอบแทนบุญคุณของผู้มีคุณเสียหนึ่งส่วนบํารุงบุตรธิดาเสียหนึ่งส่วนทําบุญในศาสนาเสียหนึ่งส่วน รวมเป็น4ส่วนทีนี้ถ้าไม่ได้อธิบายให้ละเอียดลงไปว่าส่วนหนึ่งหนึ่งนะส่วนไหนมากกว่าส่วนไหนน้อยแค่ไหนแต่บางท่านยังจัดสรรเด็ดขาดลงไปด้วยว่าให้แบ่งเงินที่ได้มา4ส่วนเท่าๆกันแล้วก็จ่ายไปตามนั้นทําให้คนฟังงุนงงและก็ท้อใจผมเองก็สงสัยว่าคนที่มีเงินอยู่ในตัว100บาทแล้วบริจาคทําบุญ25บาทโดยไม่มีเงินจํานวนอื่นเป็นที่หวังอยู่อีกเลยเขาจะทําอย่างไร ในสมัยที่ค่าครองชีพสูงอย่างนี้ถ้าจัดสรรโดยวิธีนี้หมายความว่าเสมียนพนักงานผู้มีรายได้น้อยที่สุดในปัจจุบันนี้เดือนละ450บาทจะต้องทำบุญเดือนละ112บาท50สตางค์คือ 25% เของรายได้รู้สึกว่าเป็นจำนวนมากเกินไปที่คนทั่วไปจะทำได้ผมลองสังเกตดูทั่วๆไปคนในกรุงเทพที่ทำบุญถึง5เของรายได้ก็หายากอยู่แล้ว ผมต้องการกราบขออภัยพระคุณเจ้าที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ขัดคอหรือขัดค้านแต่จะพูดถึงเหตุบางอย่างที่ทำให้คนสะดุ้งเมื่อได้ยินคาว่าเชิญบริจาคเจ้าค่าเท่านั้นที่จริงที่ท่านสอนให้จัดเป็นส่วนๆนั้นเป็นวิธีที่ทำงบประมาณดีมากคือให้ตั้งไว้เป็นสี่งบแต่คงไม่ได้หมายความว่าแต่ละงบแต่ละ ง, งบเท่ากันหมดคงไม่ใช่อย่างนั้น